ทำเมตตางพุทธศาสนาโ <c oughs> ดยส่วนใหญ่ท่านสอนให้คนปฏิบัติตายใจเพื่อให้มีความสุขคนปลกดทุกข์เพราะมนุษย์เราความสุขควาทุกข์ว่าเราพิจารณาโดยทำมาแล้ ว, ลวเราจะเกิดจากความมั่งมี ด้นวัตถุไม่ได้อยู่ภายนอกความทุกข์ความสุขไ ม, ม่อยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับผลความทุกขความทุขไมันก็เรื่องอี่นะนั้นคนที่มีสมบัติชั้สนสวานค์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกส่วนเพราะถ้อว่าเขาก็บ่นว่าเขาทุกเราทุกในหัวใจของเขา คน ท, ที่ปฏิบัติจิตใจละวางจากเรื่องต่างๆสัญญาอารมณ์ปฏิบัติตัดก่าเรื่องความทักขต่างๆให้ตกออกไปจนใจใสสว่างสงบคนนั้นถึงจะไม่มีด้านวัตถุอะไรท่านอยู่ในสถานที่ใดตัวของท่นานก็เป็นสุขมีแสดงว่า ความถุขและควกกามทุกข์เกิดจากจิตใจมนใจเกิดจากวัตถุแตะนั้นทางที่จะทำจิตใจของพวกเราท่านให้สงบก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาซึ่งเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสติความรู้สึกจะต้องมีอยู่ทุกการทุเกเวลาจะทำจกพูดจะคิด มีสติติดต่อกันอยู่ตลอดและการทำการผูกการคิดก็รู้สึกอยู่เสมอมีสติความสมบูรมีเยย ว, วาสติและลึกอยู่เมื่อมีสติรักษาจิตใจท่องตนจิตใจ น, นั้นจาเกิดการผูกลรุง ในทางชั่วก็ส่งเอาปัญญาเน้นสอนว่าทางนี้ในใจทางดีทำไปพูดไปคิดไปจะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมีปัญญาเน้สอนใจของตัวอย่างนั้นไม่ให้ใจไปคิดไปปลุงในทางชั่วทางเสียใจ เมื่อมีสติรักษามีปัญญาแสสอนใจจะได้รับความสงบไม่คิดตรงปู๋ชั่วหรือตัวของตัวเองเมื่อไม่ได้คิดไปอย่างนั้นใจไม่ได้เสียดกับทางจิตไม่มียาคิดเข้าไปสู่ใจใจจะจะหว่างสวายใจจะผ่องใสสะดวกมีทางสติบัต กุณศาสตรนะสอนเข้ามาีิตใจจิตใจในส่งไปที่อื่นท่านอยากข้องใจเป็นเรื่องก่อทุกตัวสำคัญฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสมุทยสิ่งจิตผิด ท, ทุกเข้าสีใจข้องตัวใจที่อยากนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นไปในสายสัม ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลผู้ทัชนธรรมดาไหลกันไปในทางต่ำเหมือนกันกันกบน้ำแม่ฝนจะตกทั่วโลกทั่วสงสารน้ําอยู่ในสถานที่ใดก็ต้องไหลลงสู่ที่ต่ำที่ต่ำหรือที่ใดน้ําจะไหลลงไปถังอยู่ที่นั้นน้ำไม่เคยไหลควรกระแสสูงไปสูงจิตใจของพวกเราท่าน ที่มีที่เหลือปัญหากว่าทำนองเดียวกันมากหลายลงสู่ที่ชั่วที่ต่ําและทําให้ใจของตัวเรารับทุกข์เดือดร้อนฉะนั้นการมีสติระวังรักษาการมีปัญญาแน่สอนจึงเป็นคำนบนิยามคัญกั้นใจของตัวเราท่านไม่ให้ไหลไปในทางต่ําถ้ามันไหลลงไปมันคิดไปตรุงไปในทางชั่วทางเสียธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีหลายข้อหลายขั้น ที่พวกเราท่านจะนำมาฝ่ายพิสูปฏิบัติเพื่อแก้ไขจิตใจท้องตนให้สงบลงนะใจจิ่คิตปรุงุ่งไปในราคาตันหาในสามโลกต่างๆเราก็มีทางที่นีที่จะรายาเพื่อจะรักษาใจมาให้ลุ่มหลงจิดขออ้องหรือเหื่อเหื่อจนเกินขอบเขตเพราะเราเกิดมาไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเพศใด ประเทศใดชาติใดวันหน้าใดต่างท่านต่า ง, า ง, างคนต่อมาแต่ตายปล่าปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาเสือผ้าเข่าของไม่มีเกิดมาเ่องแเอาไวยะอร่างจายตาย่อมาอาศัยจากโลกอันนี้ที่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าว่าเขาว่าเราว่าหญิงบาชายเมื่อตายไปแล้ว เหล่านี้ก็ถิ่นอยู่ในโลกสี่มัมีอะไรติดเสติดตัวตามตนไปได้ถ า, าท้าสี่้องขึ่งในโลกสิ่งท้องสีงห่หามาด้วยความ้าด่าหุ่นวายก็ถิ่งในโลกอีกม่มีอะไรกี่จะเอาไปได้เมื่อเต้นเช่นนั้นเราจะไปหลงทําไมเกิเพินทําไมมัวเมาทมําไหมนเป็นเหนืองห่านใจขององตัวไม่ให้โลก เกินขอบเิต ย, ยุทธวิจารนาหาทางยับดั่งใจไม่ให้ลุ่มหลงหรืเหื่อเกินเหตุเกินผลนี่เป็นนุทธวิอันหนึ่งซึ่งจะห้ามใจท่องตนเพื่อไม่ให้จิตคลองลุ่มหลงแสบเทนในโลกจนเกินขอบเขตนอกจากนั้นเรื่องราคะทางกันหนัดยินดีก็เป็น ทางนทุกมาให้แก่ใจอีกเหมือนกันเพราะสิ่งที่เรากําหนดยินดีพอใจใถ่คิด น, นั้นนั้นเป็นไปจากความผักดันของใจในใจตัวใจจริเป็นจริเกี่ยวแฝงของใจที่ไปใช่ไปจิตไปคิดไปคิดไปคล้องด้วยอำนาจที่เรามีอริยทางคือความรู้ผิดผิดจิตใช่จรับความสงบ ในทางอัจทางทาใจจึงฟุ่งซุงคิดนึกเกี่ยวข้องไปในทางราคะตัณหาทําให้ตัวของตัวเกิดไม่สงบไม่สบายเพราะไฟราคะแผดเขาแันจังหวาราคักินาคือไฟเขาใจสำคัญอันหนึ่งคนทีีมีราคะตัณหามากในจิตในใจจะไปอยู่สถานที่ใด ไม่มีความสุขความสบายชิดปรุงอยากจะเติดอยากจะจูบ อ, อย่างนั้นอย่างนี้ชิดไปในทางสวยทางงามทา ง, ทางเติดทางเพล้นำหนัดในจิตในใจด้วยไม่มีปัญญารักษาไม่มีธรรมะคุ้มครองใจทองตัวเดือร้อนเหืือกรงมันไปชิดมันไปเมื่อเท่าไร่็ร้อน เป็นไฟเสื่อมถ่านั้นเมื่อมันมีกาลังมากไม่ต้องหาว่ารูปเซตสวยงามงามจึงอยากจะจูบจะกอแต่เร็ จ, จะสง่งถ้ามันมีกาลังมากจริงจังสมเหมือนไฟธรรมดาไฟธรรมดาถ้ามันมีกาลังมากกล้าจริงจังไม่ต้องเลือกแาบไม้จะแห้งหร้จะสดมันไมไ่ได้ทั้งหมดเพราะกลังมันส้าง มีจิตใจพ้องที่เหลือกันหาพราความกำนังยินดีกว่าทำนองเดียวกันถ้ามันขึ้นจนที่เอจนฐานเราไม่มีธรรมะมารักษามาลัางอับแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่เท่าจะแปขนาดไหนขอแปรให้ได้สมความป่าฐานาของใจเพราะใจมันชอบใจมันยินดีถ้ามันได้ทำตามเรื่องของมันแล้วมันพอบันเทาลงไป ตัวระยะเท่านั้นใจมันจะสจะงบผาดมันเป็นแบบนั้นมันเลยเผาตัวข้องตัวเนื่องจากไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะรักษาฉะนั้นทางศาสนาถ่ายจึงสอนถ่ายพิณพิเจณาผาตขันพิเจนาอธุภาอสาุพังเยนาของจริงในใจให้รู้เห็นเด่นชัดว่าจิ่ง มันเป็นแผลเผาเรากําหนดยินดีนี้มันเกิดมาจากอะไรกันแน่อวัยวะทุกสิ่งทุกส่วนเขาทราบไหมเขาไม่ทราบทางนั้นเขาไม่ว่าเขาเป็นหญิงเขาไม่ว่าเขาเป็นชายเขาไม่ว่าเขาเป็นพระเป็นเมรนไม่มีอะไรบงบอกว่าเขาเป็นอันนั้นเขาเป็นอันนี้แต่สมมติเชื้อโรคเขานิยมกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอเราไปถือสมมุติเย็ดสมมติ คือเพราะว่าม า, มากำหนดยินดีกันผ่านเครืงไห่พิจรารณาตามความเป็นจริงของธาตุฉันว่อธาตทั้งสีก็ดีและร่างกายเหล่านี้ก็ดีอะไรมันสวยอะไรมันงามทีหน้ากำหนดทีหน้นายินดีมีไหมคนคิดพิจารณาลงไปต่างแปลนิสัชชนจับเหยื่อเท้า พี่แกนาะดูให้พวดถึงถ้าไม่เห็นในจิตในใจในกายของตัวกับพี่แกนาะคนอื่นสัตว์อื่นที่เราเห็นผ่านมาจากตาของเราพอเราเกิดมาจะต้องเห็นคนทีเช่สวยเชยงามแต่แกไมเรายังเด็ดยังเล็กเราชอบจิดจิตใจว่าคนนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้ เมื่อแกามาเป็นอย่างไรเข้าจริงๆรจริง จ, งจงเป็นอย่างไรเขาตายไปยินดีไหมนีม่เป็นอย่างพิจานณาหนอกหนอก่อแต่พิจนราในทพิจารณาถอดไปจากผิวหนังลึกเข้าไปถึงเนื้อถึงกระดูกถึงตับไตไตภูงต่างๆว่าในอวัยวะทุกส่วนของมนุษย์ เป็นอย่างไรสวยไหมงามไหมหน่าชุบหน้ากอดไหมหากว่าเราถลกหนังออกหมดคนจิตว่าสวยว่างามนั้นจะเป็นอย่างไรอะไรจี่บางตาที่ทำให้เราเกิดกิเลสปัญหาเกิดราคะกำนังจิตเจรนามันลงไปถลกหนังออกฟองไว้เมื่อเอาฟองไว้ เรียนกระดูกเอากองไว้ใส่น้อยใส่ใหญ่เอาก้องไว้อะไรมันสวยมันงามมีไหมพิจารณาอย่างนี้จะแก่จิตแก่ใจที่ไปชอบจิตจิดปรุงในทางกำหนัดยินดีถ้าหาจิตรู้เห็นเป็นจริงแล้วมันไม่กำหนัดมันไม่ยืนดีจะไปกำหนัดอะไรขาดยินแต่ยังว่าเป็นขาดยิน เราไม่เป็นถาดยินมถาดเป็นเนื้อธรรมดาใส่ขิงใส่วางไว้ใส่ที่นั่งที่นอนแเราจะนั่งได้นอนดได้ไหมเลือดที่เราผีว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้หนะ้าแดงแดงปากแดงแดงนั่นเราผีกันเพรเลือเดเลือดเมื่อมันตกหยดย่อยลงไปใส่ในใ น, น้ําดืม่มจะดื่มได้ไหมหยดลงไปใส่เสือ้อผ้าสวยไหมงามไหม แต่ทำไมเราถึงไปชอบไปจิตไปคิดไปปรุงว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้นี่เือจิตมานดี๋ยวนี้ที่จะได้เนะี่ยอัดทำจึงลุ่มหลงเดือดร้อนแสบเผา ต, ตัวของตัวให้ยรับความทุกข์ทุกเกิดขึ้นจากยิเวศจากปัญหาส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าใครทั้งหมดที่มีจิตปรุงปรงธรรมดาไม่มีธรรมะเป็นเื่องรักษา จะต้องไหลไปในเรื่องต่างๆเรื่องที่เหลือจะหาโดยส่วนใหญ่ก็ลากะโดยตามกำหนัดมันไปจากจิตจากใจของตนก่อนแล้วไปมือนไปไหมว่ายิงว่าทรายบ่าเลยแบบนี้ว่ารออย่างนั้นรออย่างนี้ความคิดความปรุงโดยไม่มีทำมาเป็นเรื่งเดียวยาจิตใจคิดไปเท่าไรก็ยี่ไปกันใหญ่ปรุงกันไปใหญ่ ก็เเดือดร้อนวุ่นวายไม่สะดว ก, กไม่สบายจิตที่ฟุ้งเฟงไปในด้านนี้ทางธรรมะแผ่นจรรยาเป็นมิวรธรามจิตของตนให้เศร้าหมองธรามจิตของตนให้เดือดร้อนธรามจิตของตนให้วุ่นวายไม่มีความสงบไม่มีความสบายทผ่นจิงให้ที่นี้ที่แกนะหาทางรักษาหาทางเยียวย า, ยาหาทางทำให้สบงบถ้าผู้ มาต่อปฏิบัติทีนี้พิจารณาตามอัตธรรมคำสอนของพธธระพุทธเจ้าให้พิจารณาตามเป็นจริงหญิงมันอยู่ที่ไหนชายมันอยู่ที่ไหนตายนีประกอบไปด้ยวยธาตุทั้งสี่ธาตุมันดีที่ไหนมันชั่วที่ไหนดินมีถมไปเราเดินไปผัวโลกพบแต่ดินธาตุดินมันเคยตำหนักกับใครมีไหมมันเกิดจากใจแท้ๆใจมันได้อะไรที่ไปตำหนักอย่างนั้นนอกจาก จะเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะได้มาจะต้องรักษาได้มาจะต้องดูแลและลูกนั้นนั้นหรือสิ่ง น, น, นั้นั้นมันก็ไม่คงเส้นคงว่าแปรปวนเปลี่ยนแปลงตามสาภาพของมันเลื่อยไปและอยากให้มันคงที่มันมาอยู่คงที่ก็ได้เกิดทุกข์ขึ้นอีกหรสิ่งเหล่านั้นมันมีโรคไข้ไขเ้เจ็บเดียดเดียนลมหายใจตายร้องให้ เป็นทุกนี่แต่ทุกวันนี้สุกอะไรถ้าหากหลงถ้าไม่หลงแล้วที่นิ้พิจาานะใหรู้เห็นตามเป็นจริงใจจะสงบใจจะสบายจะปล่อยวางคมยึด ถ, ถือต่างๆนี่เป็นอุบายปัญญาเป็นวิปัสสนาทางที่จะแก้ใจที่วุ่นวายลุ่มหลงให้สงบจึงควรที่นิ้พนะิจานาจึงควรกำหนดรักษาเรื่องท่องใจ มันไม่เป็นเองทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอาศัยการก่อขึ้นทำขึ้นน้อยเที่ยวก่อนค่อยเติบโตขึ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดสติของเราเหมือนกันปัญญาของเราเหมือนกันก่อนอินที่เราได้สดับรับฟังเราก็ไปฝึกอบรมบางทีก่อนได้บางทีก่อเสียไปก่อนนา้นๆเข้าจิตใจจิคใจอบรมที่มีจิตใจนาบ่อยสะสมสติปัญญา ให้มากเข้าจิตของเราก่็จะสงบทุกระยะทุกเวลานี่คือการรักษาจิตคือการทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นสุขจิตเป็นสุขแล้วส่วนอื่นเป็นสุขไปหมดไม่มีอะไรที่จะก่อควนใไม่มีอะไรที่จะเป็นให้อันตรายถึงแม่โลกอันนี้จะยังมีอยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะไปทับผมบจิตใจ ให้เดืยดรอ้อนลุ่มหลงเหมือนเก่ากอดเพราะเราได้สําระสัางจิตใจของเราให้เบาบางไปจากที่ไหนไปสถานที่ใดไม่เป็นภัยแก่ตัวไปสถานที่ใดมีกําไรเห็นอะไรเกิดธรรมะนี่ผูกประพฤติปฏิบัตริรักษาจิตมีอเนกสงอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้มีความสะดวกสบายอย่างนี้จะไปสถานที่ใดก็ไปเถอะห่าม่สําระจิตสํสรสาระใจผ่องตน จิตใจยังตังวลวุน่นวายจิตใจยังมีโลบมีโกดมีหลงมีลาข้าตันหาอยู่แล้วไปสถานที่ใดก็ไม่สมหวังทางนั้นเพราะเหตุใดเพราะที่เหือตันหามานะทิฏฐิส่วนนี้แขนคอไปทุกระยะทุกเวลาจะนัง่งมันก็นั่งด้วยจะนอนมันก็นอนด้วยจะเดนินมันก็เดินด้วยขึ้นรถเดินรถไฟไ ป, ไ ป, ไปด้วยขึ้นเ่องบินเชวอดรไปด้วยมันไม่ยอมอยู่ มัจะต้องคิดตัวตามตนไปอย่างนั้นเหมือนเงาหากเราชำระสาสาังเอาธรรมะล้างความสกรกโกรกของใจพิจารณาแจก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเชี่อจริงจังสิ่งเหล่านี้จะหลุดออกต้ออกหมดออกจิตใจของเราจิตใจเราเสือเร่อร่อนจิตใจของเราจิตใุฟูปรุงจิตใจของเราจิเคจ ย, ยึดถือเป็นทุกข์จะหายไป จะตกไปมีความสว่างสวัยมีความสงบเย็นใจทุกระยะทุกเวลาจะไปจะมาที่ใดมีความสุขประจําใจอยู่ตลอดท่านจึงสอนในทีนี้ที่เจรนาฝึกอบรมรักษากายใจของตนเพราะกายใจนี้เป็นตัวสำคัญที่พวกเราท่านแต่ต้องที่นีิที่รนาเพราะความหลงมันเกิดไปจากนี้ ม่ไเกิดไปจากที่อืนความทุกข์มันเกิดไปจากนี้นี่ไม่ใช่เกิดเกิมีมาจากสถานที่อืน่นที่นี่เองจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอบรมศึกษาหากพวกเรามองข้ามไปสถานที่นั้นจะมีความสะดวกไปสถานที่นี้นจะมีความสบายแต่ไม่ได้สำราญสะสมกายใจคลองตนไปสถานที่ใดเช็นไหม่ใม่ พบใหม่ๆเจอใหม่ๆก็อพอใจยินดีมีความสุขนิดๆหน่อยๆอยู่ไปนานกอเกิดอีดความใหม่พอใจความใหม่ยินดีอยากจะนี้ไปที่อื่นวิ่งไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนสุนนัขง้อบาดนอนใส่อยู่ตลอดเวลาวิ่งไปอยู่ป่าว่าจะสบายไหนะก็ไม่สบายวิ่งลงทุ่งนาไหนนะก็ไม่สบายไ่นอนสถ า, านใดด้วยอำนาจนอน ใจหัวมันอยู่นั้นมันก็เหมืมีความสุขชั้นใดที่เหนือกันหามาณที่ิตที่ต่างๆที่ตัดจินใจต้องพวกเรารทันการทานอนเดียวกันไม่มีวันเวลาที่จะสะดวกสบายาเราทําระสาสางเรื่องเหล่านี้ตกออกไปจากกายจากใจของเราเราจะสะดวกสบายเหมือนอุณหกรรมดาที่ไม่มีบาดแผลอะไรมันจะไปนอนสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดมันก็มีความสุข ตามสภาพของมันไม่ได้เดือดร้อนมุนวายไหสถานที่นั้นอย่างนั้นสถานที่นี้อย่างนี้เพราะมันไม่มีบาดมีแผลไม่มีหนอนใสหัวของมันมันอยู่ได้ตามอัธยาศัยของมันมีพวกเราท่านเมื่อเห็นว่าเรื่องที่เลตัญหาที่แผลเผลอใจของพวกเราได้รับความทุกบบข์ความลำบากก่จงนําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพิมิติเกณา เตือสอนใจท้องตนให้รู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อใจรู้เห็นตามเป็นจริงได้ใจจะสะดวกใจจะสะบายเป็นโลกายุภูไม่ต้องไปเกี่ยวหลอกโลกเสื่ก่อนถึงจะว่าเป็นผู้ดีผู้เด่นไปเห็นประเทือนั้นประเทือนี้ทั่วทุกคนทุกแข่งไปแต่จิตใจท้องตัวไม่เห็นผู้มันอยากมันดิ้นรนอยู่นั้นคืออะไรถ้าเห็นใจท้องตัวอย่างเดียเท่านั้น ใจในมีความอยากใจในมีความปุ้งความปุ้งไปในที่อื่นความสุขสงบสว่างไสวมีอยู่ในใจท้องตัวแล้วไปสถานที่ใดวก็สะดวกสบายเป็นโลกาลิทูรู้แจ้งว่าการที่มีความอยากความหิวมันเป็นทุกข์เมื่อหมดความอยากความหิวของใจมันเป็นสุขอย่างนี้ประทับในจิตในใจท้องตนประจับในจิตในใจท้องตนเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเอง ในต้องวี่งวุ่นไปสถานที่อื่นฝึกอบราตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีจนเข้าถึงขีดสงบทุกวันทุกเวลาไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนจิตใจให้นุูงฟูนติดข้องเหมือนเก่าก่อนมันก็สงบมันก็สบายเท่านั้นทางสงบทางสบายทางสุขมันมีอยู่นี้ในต้องไปหาสถานที่อื่นมีอยู่ในตัวของตัว คนใฝ่หาไปหาแตคื อ, อยังไม่เจ อ, อยังไม่เห็นเมื่อเห็นแล้วไม่ต้องหาพิ่จะละนานะแต่ทำบำเป็นอยู่นั้นจิตใจที่เคยปุ่ง ง, งคิดนึกก็คอยหดตัวเข้ามาหายจากความปุ่งุงคิดนึกต่างๆได้รับความสงบสว่างไสวเยือกเย็นจิตใจค่องสนนีผล การ่อบพิปฏิบัติขอให้พากันฝึกหัดอบรมตัวคลองตัวอยา่าไปคิดว่าการนี้เวลานี้ยังไม่พร้อมคอยวันหน้าเชื่อก่อนปีนเดือนหน้าปีหน้าเชื่ก่อนชาติหน้าเชื่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นชาบิใดก่อตามที่ใดเดือนใดก่อตามไม่มีคนอื่นที่จะทําแทนตัวของเราได้ตัวของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้แต่ทํา คนอื่นทําแทนไม่ได้เราต้องตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัตริรักษาตัวของตัวขยันหมั่นเพียรกำหนดที่นิพจารณาสติปัญญาอย่าลดละเอาเป็นอาวุธสำหรับฟาดฟันกับทิตเน็มาอย่างนั้นจิตใจจะไม่เป็นไปจะไปเี่ยวที่ไหนไปเจอใครมันก็นไม่เป็นไปให้ เหมือนกันกับอาหารถึงมีมากขนาดไหนถ้าหากเราไม่รับประทานก็ไม่มีความอิ่มจเหิวอยู่ตลอดไปถึงเต้าภาชนะอาหารอยู่ก็ตามควาอิ่มจะไม่มีเรามาบวชในศาสนาเราอ่านตำลับตำรามาเพียงพอจะมาเดียฝึกอบรมกายใจท่องตนให้เป็นไปในหลักธรรมนั้นก็เหมือนกันกับเราเต้า ช่วยจารอาหารหรือเหมาะอาหารไม่มีวันเวลาที่เราจะอิ่นน้ำสำรานได้ฉะนั้นลงมือกินเถอะอย่าไปคอยวันคอยคืนผ่าผิวความอิ่มไม่ต้องถามหาหากเรารับประทานมไม่เลิอท้ามอิ่มจะปรากฏขึ้นความอื่มเป็นอย่างไรคนทานอาหารไม่ว่าคนธรรมดาหรือคนบ้า้วามอิ่มมันบอกเองถึงพูดในด่างมันก็รู้จัก ชั้นใดการพิจารณาธรรมะการศึกษาธรรมะการข่าพเพียนปฏิบัติใจใจท่องตนขอทํานองนั้นมันละไปขนาดไหนมันถอนไปขนาดไหนเราจะมีความสว่างสวยเราจะมีความสะดวกสบายไปเข้าใจในตัวเองตลอดเวลาจนถึงที่สุดมีมุติพานจนอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยมีการปฏิบัติอ น, นิสงส์เลิศประเสิฐสุด มีเงินเป็นแส น, แสนล้านต่อตามจะไปซื่อความสุขความสงบอย่างนี้ซื้อไม่ได้ในนี้ใครเขาขายกันในโลกหากเราทําเองปฏิบัติเองไม่ต้องซื้อเนื่อแต่จะต่างอย่างเดียวความดีความเด่นความเห็นส่วนนั้นจะปรากฏขึ้นจากการกระทํามบำเพ็ญท่องสอนฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าประมาตั้งหน้าประทปฏิบัตริรักษา กายวายาจใจฟ้องตนรวยเศรษฐิด้วยปัญญาทิ้งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามว่าอย่าอย่าอย่าไปฝ่าไปผื่นทำในว่าอะไรทั้งหมดความคิดความปรุงที่ชั่วที่เสียเรียกว่าอกุศลท่านก็ห้ามคิดพราะมันเป็นคิดเป็นใจเราเองก็ตําหนิ้ตัวของตัวถ้าเราทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วคนอื่นผู้รู้ยินิีใส่พิจารณาแล้วก็ตําหนิ้โทษดับ เพราความชั่ความเสียส่วนนั้นมันบ่งบอกตัวเองก็เศร้าหมองคนอื่นก็ไม่ยินดีเ ใ, ในใจถ้าหากเราดีเรามีสติปัญญาเรามีความส ง, งบส ง, งัดเราปฏิบัติ ถ, ถูกต้องตามธรรมในในของพระพุทธเจ้าเราเองก็เหลื่อมใสในตัวของเราเองคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ก่อช่างเขาเราเย็นเราสบาย เหมือนเราทานอาหารอิ่นแล้วก็บอกว่าไอ้นี้มันหิวจะตายเราก็ไม่มบั่นไว้อะไรเพราะเราอิ่มอยู่แล้วไอ้นี้มันจนจะตายแต่ตังของเราเข่าของของเราเต็มบ้านเต็มซ้องไม่อดไม่จา่ายเราก็ไม่หวั่นไหวพอลมปากพูดไปแล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรจะเป็นที่เป็นไทยท่ามีปัญญาแก่ใจของตัวนี่การตรอพฤตปฏิบัต คำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอายุงสงศ์แต่เสรดีเสรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านเป็นในพระไทยของท่านท่านจึงไม่จีบข้องในลาบยศสรรเสริญสุขของโลกเพราะพระองค์ก่อเป็น ส, สัตว์มีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่มนุษย์ธรรมดาสามัญชนยากหนักหนา ที่จะไดยินดีเต็มใจใส่คิดในเรื่องลาบโกันและเสริอมสุขนี่พระพุทธเจ้าที่กรัทำภมานี่ใจนาคาแก่ท่านเกี่ยบความตายเท่านั้นจิตของท่านสงบแต่ก่อนใช่ลุ่มหลงรา่าตัญหาตัวมีไม่มีอย่างไรถ้าไม่มีจะได้ลาหุน่นสลัดสมุทดของท่านเกิดมาได้อย่างไรท่านมีธรรมดาสามัญชน น, นักสนมเป็นหมืนม่น ที่เฝ้ารักษาอยู่นั้นแต่ก่อนกว่ากำลังยินดีชมคนนั้นชมคนนี้แต่เมื่อพิจารณาอัตธรรมเรื่องแก่เจ็บตายประจําจิตประจําใจจิตคิดใหม่ไม่ยินดีไม่เลื่อมใสเพราะทุกคนอยู่นี้จะต้องตายโดยการทางนั้นทั้งเราทั้งท่านที่เราดูเพราะทิดอย่างนั้นจิตคิดถนัด้องมันมองเห็นนม นอนอยู่นั้นเป็นป่าช้าทีดิตไม่เห็นเป็นคนสวยคนงามเหมือนก่อนมีจิตมันเป็นอย่างนั้นมันยินดีกบเพราะมันชอบมันติดมันคิ ด, คดไปในทางต่ำทางเสียทางหาพิจารณนาะเรื่องของทำจริงจังแล้วจิตจะทิศขาะไม่ยินดีไม่เต็มใจฉะนั้นจึงสเสด็จ ทีเนสตะกลมคือออกบวชเมื่อบวชแล้วก็เพื่อปฏิบัติจิตใจรู้เห็นเด่นชัดในอาจทำจริงจังท่านก็ไม่ได้นุ่มหลงไม่ได้เพิดเพลิมวกวนมาหาเรื่องราคาตัญหาอีกทั้งทั้งที่้ายาทชาวองของท่านหรืออากามาเหตุสิยังยินดีอยากจะให้สับมาไม่ใช่เขาขับไล่สาย ต, ตรงท่านออกบวช ท่านออกบวโดยความไม่พอใจไม่ยินดีเหลื่อมใสในความเกิดความตายต่งางหากอระพุทธเจ้าของเรายิ้มท้าภูมานท่านพินานจารณาคิดอนะ่านอย่างนี้พวกเราท่านมีไหมความแปรความเสกิด ค, ความตายเคยมีกันมาทั้งนั้นไม่ใช่หรือเคยความตายถ้าพิจารณาแล้วเราก็เคยตายกันมาตายจากทันมานดามาเป็นเด็ก ตายจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายมาทุกระยะทุกเวลาทุกวินาทีตายกันอยู่อย่างนี้ลมเข่ามันกเกิดลมออกแล้วก็ตายอยู่นั้นนี่ทำตายมันตายอยู่ทุกระยะทําไมเนี่พิจะะิราาทำไมได้หลงให้เกิดราคะตัณหาพิจิรนาให้มันพอเมือ่อจิตรู้เห็นเป็นจิต แล้วมีความสงบเยือดเย็นจะไม่มีภัยมีเรียนจะไม่มีพบมีชาตต่อไปเข้าใจในตัวเองจึงไม่จิดคล้องในอะไรทั้งหมดเพียงจิตแต่งอกอย่างเดียวถึงที่ถึงฐานเพีงจังมันไม่ยึดอะไรมันไม่จิดอะไรมันไม่คล้องอะไ ร, ไะไรจะนั่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันกไนน็ไม่มีความเหน็ดความเหนื่อยไม่มีความเหืยความิวไม่มีทุกที่จะไป เดียวข้องเพราะจิตไม่ออกมาสู่ธาตุฐานภายนอกรวมลงเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นรู้เด่นทัดและความสุขของความสงบของจิตสุขมากจิตแต่แตกต่างธรรมดาคนที่ไม่รู้ไม่เห็นจึงลุ่มหลงจึงเผลอเผินในเรื่องนอก้าก คนรู้คนเห็นจะต้องชอบจะต้องเต็มใจอยากฤติปฏิบัติอยากจะเข้าใจอยากเห็นชัดในความสงบสงัดข้องตัวอย่างนั้นมีเบื้องต้นที่จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเต็นใจฝึกปฏิบัติเพราะรู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวข้องตัวคําสอนยังคงเส้นคงวาเป็นอาสานิโกจริงถูกพฤึกปฏิบัติรู้ชัดเห็นแจ้งอยู่ไม่ใช่เหรอ เสื่อมเสียไปตามการตามเวลาแล้วกระจจังหอบหิวศาสนานี้จากพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นศาสนายังคงเช่นคงว่าผู้ปฏิบัติตามทำํทำสอนของศาสนาได้รับผลประโยชน์ท่านต้อเชื่อเรื่อมใส้เต็มใจประพฤติปฏิบัติหากทุกคนรู้เห็นเป็นอย่างนั้นความสุขไม่ต้องไปขว้าหาที่อืน่นดูที่ตัวของตัว เห็นถึงตัวคลองตัวความทุกข์ไม่ต้องไปว่าที่อื่นเป็นทุกข์มันทุกข์จากใจไปจิตไปคล่องไปยึดไปถือใส่จิตใจปล่อยวางเรื่องคล่องจิตคิตรุงต่างๆความสุขจะเกิดขึ้นความวุ่นวายก็เป็นไปจากใจเลดีเกิดมาจากส่วนไม้ภูเขาที่ไหนดังนั้นการสลาใจจึงเป็นของสําคัญสมควรพวกเราท่าน จะฝ่าฟื้นปฏิบัติชำระกําจัดเรื่องของใจตัวเองในได้รับความสงบสุขไม่อย่างนั้นเกิดมาก็เป็นโมฆะหาสาระประโยชน์ไม่ได้แจะวิ่งไปที่ไหนก็ไปเถอะคนไม่มีทำในใจคนไม่มีความสงบในใจจะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายในได้ทุขก็สุ ข, สขด้วยความหลงของใจชี่ยึด คล่องในสิ่งนั้นนั้นต่อไปก็เกิดความเบื่อหน่ายทุกทับถมเข้ามาอีกมีอย่างของโลกมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยที่จะน่าจิตใจในโลกถ้าหากประสบพบทำคำสอนจริงจังในใจจะละได้ถอนได้ในจิตคล่งองเพราะทำเป็นของเหนือโลกประเสริฐกว่าโลก ีางทีดีที่เลิศที่ไปเสดใทยเล่าไม่อยากได้ใช้ก็ต้องการท้งนั้นเพดดียรใดยิงต้องการพอดีพราะวีเิดพอไปเิดที่เราไม่เห็นไม่เ็นอย่างนั้นจึงไปงมเงาว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะไปเสิดงมไปงมมาควนขว่างหาอยู่นั้น เราไปโดนกระแสสิ่งที่ไม่สมหวังใจก็ยิ่งเกิดทุกข์ขึ้นเกาะอะไรพังทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะตั้งมัน่นให้เกาอาศัยใจยิ้เกิดทุกข์ไมเหมือนธรรมะธรรมะเป็นอของ ส, สิ่เกาะได้อาศัยได้มีความสุขความสบายจรงิงจังใครไปถึงจะหมดความสงสัยใครไปถึงจะเต็มใจยินดี ในกลับวกมาหาที่เดือปัญหาอีกีการที่นีพิจารณาการฝึกการรักษาการปฏิบัติตัวข้องตัวอั น, นิสงจะเกิดเห็นเป้นขึ้นไม่ต้องไปสงสัยแต่อย่าไปคาดหมายพอทำลงไปอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างน้คาดหมายอย่างนั้นไม่ได้หน้าที่ของเราทำทำไปเหมือนเขาปู่ ผลไม้ต่างๆบํารุงรากต้นให้รน้ำให้ปุ๋ยรักษาจัดว์ต่างๆอย่าให้มักกัดมากินส่วนม้ที่ถูกบํารุงรักษาก็จะต้องเติบโตขึ้นการเตริบโตของมันมันเป็นในตัวของมันเองในใ่เราไปฮะอันอื่นมาพลอกให้มันต้นใหญ่ปลอกมันก็ไม่ติด แล้วเมื่อเวลาจะไม่ตกงดอกออกฝนก็ไปบังคับให้มันออกมันก็ไม่ออกดังนั้นการประเพื่อปฏิบัติขอทำนองเดียวกันฝึกหัดอบรมไปผักเทียนพยายามไปรักษากายรักษาใจท้องตัวไม่ให้ไปทำชั่วคิดชั่วต่างๆมีสติมีปัญญาเจรนาอยู่สม่ำเสมอไม่ให้ใจแวบออกไปของิดคิดปรุงในทางชั่ว รักษาใ้ใจอยู่ในวงของธรรมะพิจาราอัดทำให้แก่มใสใจที่ถูกบารุงอย่างนั้นไม่วันใดวันหนึ่งจะสงบได้ในวันใดวันหนึ่งก็จะหลุดได้จากความเป็นไปธรรมดาของใจผุ้ทุชนจะตายเป็นอริยะชนคนหลงจะตายเป็นคนรู้มีวิธีปฏิบัติ ให้มีศรัทธาเชื่อมัน่นมีความเพียรพยายามกันจริงจังมีสติระวังมีปัญญาเน้สอนหากคนได้ตั้งใจต่อเพื่อปฏิบัติอย่างนี้คุณความดีจะเกิดขึ้นจะเห็นขึ้นไม่มีทางสงสัยฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของสำคัญสำหรับท่าน ผู้ปฏิบัติจะได้รับรดค่าคนไต่ปฏิบัติเพียงอ่านเฉยๆเพียงศึกษาเฉยๆเพียงฟังเฉยๆระเด็ดที่นิสัยน่ะไม่รักษาตายใจท่องตัวคนนั้นจะฟังขนาดไหนอ่านขนาดไหนได้มาจากสัญญาความจำก็เหมือนตำราอยาไม่มีทางจะรักษา โรคภัยให้เหยียดหายดังนั้นต้องหาตัวยาจริงจังเพื่อจะทำบเทาเพ็ญถ่าเรียนพยายางจิตจิตปรุงอะไรไปในแง่ไหนไหนก็ให้ทราบโดยสติของตนว่าจิตจิตไปแง่นั้นเป็นทางแก้ไขหรือเป็นทางเพิ่มเติมที่เหลือปัญหาควรละหรือควรบําเพ็ญให่รู้ให้ทราบจากปัญญาของตัว มีทางปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ที่เคยวุ่นวายทัดคล่องที่เคยปุ่งกุ้มต่าง ๆ, างๆก็จะสงบแต่นั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นิพพารณาตัางหน้าศึกษาตัางหน้าปฏิบัติมัรผลธรรมวิเศษสี่พระพุทธเจ้าหรื อ, อ, ร, หอรหันตอรหันต์หลู่เห็น ก็จะเกิดเป็นขึ้นในสิตในใจของตนพะเราเดินทางสายเดียวกันจะไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันหากทุกท่านพยายามสอนตัวอย่างนั้นมีสติรักษามีปัญญาแนะสอนมีความเพียนต่างหานเข่าไปใจจะรู้ใจเห็นเด่นชัดการปฏิบัติ จึงเป็นของสำคัญที่หัวกเราท่านจะต้องเพื่อปฏิบัติหากูเห็นแล้วกว่า ม, มีทางสงสัยความสุขความสบายของใจเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามคนอื่นโลกวิถูลู่แจง้งโลกคือลู่โลกภายในดูใจของตัวเองเมื่อเห็นใจของตัวเองพ้นจากโลกก็ลูกแจ้งโลกเท่านั้น ใจของพวกเราท่านที่หมายเห็นกับเพราะไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะเพราะตัดวทั่วโลกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือน ก, นกันกับตายของเราเราวลูกเรื่องของเราว่าะสกปรกอย่างไรมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรทั่วโลกก็เป็นไปท่านองเดียวกันซึ่งไม่มีอะไรสงสัยท่านคืออย่างวะโลกับวิภูของใจใจเป็นโลกกับวิภูมีความสุข ความปะเสริฐใจจะเป็นไได้ต้องพาะอาศัยการตเลือปฏิบัติในใจนึกเอาเดาเอาเหตุนั้นพวกเราท่านทุกคนพอจงนําธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ปรึกเพือปฏิบัติในใจใจของตนรู้เห็นเด่นชับอย่างนั้นก็จะหายความสงสัยการอธิบายธรรมะเพราเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอาะดีติดใจใจเยาวัง